อาจารย์ต้องมีนอกต่างๆนะในตอนเรียนค่าสอนก็จะมีเรื่องที่ต้องมีเดินทางขึ้นนะครับเห็นมั้ยแล้วไม่เป็นทางขึ้นนะครับมากจะไปดูของให้บ้านของอาจารย์ <S an> เรามาคายกันกันนะครับผมเป็นหนังสือข้อสอบพวกนี้ออกอาจารย์ที่เรียงผิดใครใครหาผิดลําดับมีมั้ยนี่ต่อไปอะไรครับ เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาก็เปลี่ยนชื่อคนเตือนตัวด้วยยังก็เปลี่ยนชื่อ 1-5-2-6-4-3-5-3-4-2-5-3-2-5-3-2 ตัวไหนมันปิด? อะไรครับผม? 5-3-2 ทำไมเพราะ? คนจะเป็นเลขอะไร? คนจะเป็น 5-3-1 ข้อสักเกตนั่นคือตัวตัวหน้าครับ 1-2-3-4-5 ไม่มีปิดปกติตัวที่ 2ครับ 7-6-5-4-3 ตัวตัวท้าย 5 5 5 4 3 2 1, 1> อ่าถ้ามันเขียนว่าที่ถูกต้องก็คือ 531 ต้นก็ไปกากข้อจร 2 ครับ 30 27 42 18 แรกอาจารย์จะอธิบาย 2 สลับ ส่วนมากมันจะเป็นความต่างมากกว่า 30 27 ต่างกันเท่าไหร่ครับผม 3 27 4 18 มา 14 4 ถ้าถ้าเห็นแบบนี้แล้วมันจะมี 4 4 มัน 30 27 หรือ 22 4 ได้เข้ามาแล้วครับ 14 4 เป็น 18 18 4 เป็น 22 22 ต้องบวก 4 ใช่มั้ยครับ 22 ต้องบวก 4 มัน 26 ว่าโดนติครับ 27 ผิด 27 ผิดครับผมที่ถูกต้องมันต้องเป็น 26 26 4 ก็ต้องเป็น 30 นะครับเพราะ 27 ผิดเพราะ 4 ถ้านักศึกษาไปเจออนุพจน์ที่เรียงผิดลําดับยังไงก็สอบครับเธอใครใครไม่ได้ยกมือแบบนี้ <c oughs> 1219 ต่างกันอยู่ 7 1914 อ่าอ่า 14 ไป 21 เพิ่มขึ้น 7 7 21 มาสิ 5 2018 ลดลง 6 งวดงวดมั้ยไป 12 R14 อันนี้ 2 ครับต่อไปครับ 14 ก็ข้ามนะครับมา 16 อัน 2 16 มา 18 ต่าง 2 ได้ปกติมั้ยปกติ 19 มา 21 เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ 3 2 2 21 มา 24 เพิ่ม 3 ว่านโดยอะไรผิดครับผม 24, 24, 24. มันควรจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับทดสอบนั้น 23 นะ 24 ผิดอันนั้น 2 อยู่นี่เริ่มหาตัวเป็นนี่ถ้าเธอไม่เก่ง uh. ก็ถึงก็ 4 ละเอ่อเลขนี้ 25 5 7366648 ดูเทคนิค <ม. S> 1, 1 ไม่ได้ 2 สลับที่กันที่ 5 6, 6 ไม่ได้แน่ 2 เลยครับจัดกลุ่ม 2>, 2 นะ บ, 25 ไป 5 36 ไปคู่กับผมเพราะบางคนเห็นแล้วว่าคือเมียนมี 25 มี 36 มี 6.4 บางคนมองเห็นคืออะไรครับมันคือ <10. S 1> 7 <10. S 1> ที่มันเกิน 5 ยก 2 ได้ <10. S 1> 25 6 ยก 2 คือ 32 36 <10. S 1> 8 ยกกําลัง 2 คือ 64 <10. S 1> 7 เกินเข้า 7 ผิด รอมื้อนู่นรอประมาณระคนเค้าไปดูไปดูนะครับ 54 แล้ว 2 2 คุณเรียกครับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ 11 11 ก็อ่าไปดูต่อไป เป็นตารางแล้วก็มันจะมีอยู่ 2 ประเภทลักษณะของข้อสอบที่เป็นครับเหมือนแรกนะครับดู 1 เรียนกันหรือเปล่าข้อ 2 หาความสัมพันธ์ส่วนข้อที่ 4 ข้อที่ 5 นี่ครับก็เรียกว่าจัดกลุ่ม i กับ l เนี่ย i l o i j k แสดงว่าข้าม 2 j k ข้าม j กับ k l m n o ค่อน m กับ n นี่นะครับที่เราถึง z ให้ได้เพราะ 2 ตัว c d e ข้าม d กับข้าม อืม F E T F นะครับเห็น F นี่ถ้าถึงแสนได้นี่คือประโยชน์ของมันอาจารย์ก็ 2 ข้อ 3 ข้อที่ อันนี้คือให้หาความสัมพันธ์ในแนวตั้งกับแนวนอนหาความสัมพันธ์แนวตั้งไม่<ด> 24 เพราะฉะนั้น 3 60 ข้อ 18 กับ 30 กับ เห็นความสัมพันธ์มั้ยครับผมนั่นคือเอา 66 คูณกับตัวล่างจะ 6 คูณคูณกับอะไร 4 4 อันนี้เค้าเรียกว่าจัดกลุ่ม 2 แนวตั้งนะครับคือเอาดีๆใช่ หาความสัมพันธ์มันมันสัมพันธ์กันยังไงว่าด้วยนะครับผมอ่ะไปดูข้อที่ 3 ลักษณะของข้อที่ 3 2, 2 ไป 4 ไป 6 ไป 8 ไป 10 ปกติมั้ยปกติ 1 8, 2, 2>, 1> 2> 1> 3, ไปบบ3บบไป 4 5 7 9 11 เห็นนะใช้ 3 เทคนิคเหมือนเดิมแหละครับผมแต่ของ 5 นี้เค้า 3 คือเค้าคร 3 ครับ 3 ได้เค้า 888 583 สัมพันธ์ยังไงครับบวกกันครับแล้วคํา 5 8 13 งั้น 16 ครับอ่าอืมก็บอกว่ามี 3 ตัวเองเท่านั้นเองแต่รูปแบบเราถาม 2 4 เป็น 8 2 8 เป็น 16 ก็จะอะไรคูณกับ 3, 3 ได้ ไปดูข้อต่อไปครับนั่นคือ 6 คือ 3 ตัวนะครับ 2 4 8 16 32 ถ้าหาว่าดู 2 หารพร้อม 2 อย่าง 2 4 8 16 32 นี่คืออะไรครับทวีคูณเนาะ 2 2 เป็น 4 2 4 เป็น 8 2 16 16 2 เป็น 32 นี่คูณ 2 ไม่กินปกติครับข้างล่าง 3927 243 เห็นเลข 3 เลข 9 27 เค้าเรียกว่าอะไรครับเลขเลข 3 เลขฐาน 3 ยกกําลังอันนี้ like เล 3 ก็ 3 ยก 1 3 1 เป็น 3 9 คือ 3 ยก 2 27 คือ 3 ยก 243 นี่ 3 ยกกําลัง 5 เพราะตัวช้องว่านี่คือ 3 ยกครับ 3 คูณเลยได้ 3 3 3 3 ได้ 9 เพราะ 3 ไป 9 ได้ 27 ใช่มั้ยครับผม 27 ก็ได้ 81 เช่นเดียวง่ายครับง่ายอ้าวไม่รู้ 1532541 1357 อันนี้สังกัดหากลุ่มแนวตั้งมั้ยต่างกันเท่าไหร่ครับผม 2 แล้ว 2 ใช่มั้ย<น> 2 หมด 41 เอา 3 เพิ่ม อันนี้เพิ่ม 2 เป็น 3 5 เพิ่ม 2 เป็น 7 ก็เป็น 4.3 13 เพิ่ม 2 เป็น 45 ก็ 15 25 เพิ่ม 2 41 เพิ่ม 2 ก็เป็นข้อ 8 9 ข้อ 10 ครับถ้าเธอไปเจออนุภูมิตาราง หาแถวนอนก่อนมันมี 3 1 5 2 6 9 9 52 ผมลอง 3 1 เป็น 4 4 5 เป็น 9 2 6 เป็น 8 8 9 เป็น 17 ไม่สามารถทํากันได้ไม่ได้ครับคุณดูซิคุณ 3 1 เป็น 3 3 5 เป็น 15 2 6 12 12 9 ไม่ได้ไม่ได้ครับผมเอาแนวตั้ง 2 เป็น 5 5 9 เป็น 14 14 6 เป็น 20 1 6 เป็น 7 7 5 เป็น 12 12 8 เป็น 20 โอ้ รวมกันได้ผลลัพธ์เท่ากับ 20 ถ้าก็บวกเลยครับมันคือเลขอะไรที่ 9 เป็น 14 14 2 เป็น 16 เพราะ 16 4 ได้เท่ากับ 20 คํา 4 นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับว่าไม่บวกตัวลบคุณอาหารดูแนวนอนไม่ได้ต้องดูผลบวกผลคูณแนวตาม 5 5 ก็เป็นเป็นแค่นี้ครับคือ 3 3 3 อันนี้มันเค้าเรียกว่าจัดกลุ่ม 2 5 8 เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามหน่อย เอาแนวตั้งนะแนวตั้งคูณคุณกัน 2 2 เป็น 4 เป็น 20 22 เป็น 40 แนะนําคุณเป็นแนวตั้งครับฉะนั้น 85 44 1 คําตอบ 1 นะครับได้เท่ากับ 70 พวกคูณกันแนวตั้ง เร็วข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนอน 71 เป็น 80 เป็น 80 เพราะเป็น 54 54 ครับเข้าใจครับ 3 เทคนิคได้และสามารถไปทําข้อได้สุดยอด เดี๋ยวท่านพี่บอกเข้าไป 5:00 น. นะแล้วกินข้าวเย็นเย็นด้วยเนาะขอโทษที่ถึงพี่มา ครับผมสังเกตมุมเจอมุมนะครับเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จมูกครับจะแปะ สงสัยแล้วครับจากที่เค้าตํารวจมาถามว่าน้ําท่วมรูปเราครับมีประเทศไทยมีจังหวัดใดที่อยู่ได้ที่จังหวัดเชียงปูใช่มั้ยครับได้ที่จังหวัดกับเทคนิคที่ 2 เทคนิคที่ 3 มาใช้ประโยชน์เหมือนกันครับผมใช้ประเด็นข้อสอบตอนเนี้ย ที่บอกเหมือนกันกับหาผลต่างในครับผมเค้าให้เลขตัว 3 4 4 ปกติ 3 กันฐาน 3 นะปกติปกติ 0 ไป 5 ต่าง 5 5 9 ต่างกัน 4 9 8 15 ต่าง 6 15 ไป 20 ต่างกันอ่าเห็นอะไรครับ 5 กับ 5 แสดงว่าแถวล่างต้องบวก 5 เป็น 5 งั้น 5 ต้อง 5 ครับ 5 ต้อง 5 นั่นคือ 10 10 5 เป็น 15 15 บวก 5 ได้ 20 ตัวเลขเท่าไหร่มีครับผมอ่า 9 อยู่ข้ออะไรครับข้อข้อ y 85 มาจาก 85 มาจาก 1 4 7 10 13 20 15 10 +5 0 จะได้ 85 ครับเป็นการตรวจคําครับผมคือ 85 มันมาจากเอาตัวเลขที่ถูกต้องครับทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก็ 12 ครับไปดูซิครับ 146625 ดูแถว ไม่มีปัญหากับแถวนั้นแถวบนมันปิดตรง 1>, 1 ไป 4 ต่าง 3 4 ไป 6 ต่าง 2 <อ> 6 ไป 16 ต่าง 10 16 ไป 25 ต่าง 9 9 ครับถ้าเขียน<อ> 1 4 16 25 เป็นเลข 1 ก็<บาง S> 2 ยก 2 ยก 2 ยกกําลัง 0 ไม่ไม่ 1 ยกกําลัง 2 1 ยกกําลัง 2 เท่าไหร่ 1 1 ยกกําลัง 2 4 นี่คือ 2 4 ยกกําลัง 2 5 25 ก็คือ 5 ยกกําลัง 2 เนี่ย 2 ได้ตัวบน นักเค้าเรียกว่าจัดกลุ่ม 2 ครับในแถวท่าน <navigation S> 1 กับคร 1 มีความสัมพันธ์กันยังไง 4 กับ 2 ความ 16 กับ 4 สัมพันธ์กันอย่างไรที่ 6 ผิดน่ะ 5 8 ต่าง 3 แต่กระเสริตต่างกันอยู่ครับ 3 11 ต้องต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ <สาม S 1> 3 3 ดีกระตุ 11 3 เป็น 14 เพราะฉะนั้นข้อ ตามรอบจาก 50 ก้อนผมว่าโคแรงนะครับลงมา 5 ข้อเลยครับผมโอ้โหสุดละตาเลยสุดข้อ 4 น, 8. 5 4 3 2 1 ดู 1 2 3 4 5 ตัวกลางไม่ 320 3, 2, 0, 3 5 ดูความต่างครับ 3 มา 2 ต่างกันเท่าไหร่ครับลดลง 1 2 มา 0 ลด 2 0 ไป 3 ลด 3 หน่วย 3 ไป 5 ลด 2 หน่วยเพราะฉะนั้นผล 1 2 นะฮะมันต้องเป็น 2 3 มัน 2 ต่าง 1 2 ไป 0 ลด รวมมา 3 ลดลง 3 3 ไป 5 ลดลง 2 อ้าวตอนนี้จะทําอะไรล่ะครับ 4 3 4 ใช่มั้ยตัวนี้ควรจะเป็น 1 2 3 หรือว่าจะเป็นอะไรครับ 4, 4. เพราะฉะนั้นจาก -7 ไปดูข้อสุดท้ายครับเทคนิคแรกมาดูไปดูแถวล่างแถวบนดูความต่างกันก่อน 3 5 7 9 10, 11 ปกติมั้ยแถว 10 มันต้องเป็นอะไรครับผม 000 00 11 22 33 44 แต่ตัวนี้ผลบวก สรุปแล้วครับในเรื่องของ 3 บทใบนี้เค้าจะออกข้อมูล 3 5 ข้อที่เคยเรียน แต่กลุ่มมันจะมีหาความภรรณไว้ใน 2 ถ้า 2 ไม่ 3 ครับผมบอก 4 เทคนิคคุณน้าเอก 3 ตัวนะครับผมบอกว่าเธอจะประสบ มันเขาเขียนว่าการสรุปหาเหตุผลมันอยู่ใน 9 ท่านต้องเปิดหน้าที่ 9 ขึ้นมาก็คือจากเรื่อง 17 18 อาจารย์เรียนรู้หลักองค์การออกสอบที่หนักที่สุด วันนี้วันพรุ่งนี้ครับผมรู้ว่าตัวเลขถึงบ่าย 3:00 น. น, นมันไม่จบหรอก ว่าในการออกภาษาไทยรับรองว่าเค้าไม่มาออกไอ้กับคําถูกคําผิดเขียนถูกจะผิดอ่านผิดอ่านถูกเรา อย่าไปเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวตอนวันไหนเค้าชวนชวนผมไปด้วยเท่านั้นน่ะครับนะเลยนะ yeah, <c ười> ไปดูการสรุปหาเหตุผลครับการสรุปหาเหตุผลที่เคย 10 ครับการ หน้าที่ 12 การสรุปหาและหน้าที่ 13 ครับการ 2 กรณีที่ฮะนั่นคือการสรุปหามีเงื่อนไขกับการสรุปหาเหตุผลแบบเปรียบเทียบพออายุมากกว่าน้องน้องอายุมากกว่า evaluate บทวยในเรื่องของการสรุปหาเหตุผลแบบมีเงื่อนไขการสรุปหาเหตุผลแบบมีเงื่อนไขครับโจทย์ดูตัวอย่างในก่อนตัวอย่างหน้า เงื่อนไขและข้อสรุปมาเธอไปหาคําตอบเงื่อนไขเป็นไงครับเขาขยันเรียนเขา 1 อันนี้ก็เรียกว่าเงื่อน แต่ส่วนมากที่เรียนก็สอบได้พอตัวก็ได้หลอกกันแหละครับผมใช่มั้ยอาจารย์บอกถ้าเขาขยันเรียนตัวจะสอบได้ที่ 1 นี่คือเช่นเขาเป็นนักเรียน ข้อสอบไปได้ที่ 1 ผมเพราะฉะนั้นข้อสรุปโจทย์จะเอามา 4 กรณีเท่านั้นเองคือเอาตัวเงื่อนไขเข้ามานะเอา เป็นอย่างไรแล้วข้อสรุปข้อสรุปครับไปดูกรณีที่ 1 ครับถ้าเขาจะสอบได้ใช่มั้ยครับข้อสรุปเขาขยันเรียนเห็นมั้ยข้อกรณีที่ 1 มั้ยครับเห็นกรณีที่ 1 มั้ย นั่นคือเขาต้องสอบได้ที่ 1 ที่ 1 ครับเป็นไปดูกรณีที่ 2, คร 2 ถ้าโจทย์บอกว่านี้ข้อสรุปนะครับเขาคือเขาสอบไม่ คำตอบที่เคยเป็นเรื่องอยู่ในข้อมานั่นคือเพราะไม่เห็นเหมือนกันนั่นคือเขาก็ไม่เห็นอยากเรียน กรณีที่ 4 ถ้าเขาเอาไม่ๆนะครับข้อสอบประเภทนี้ 14 ครับ ม่วงเหงาม่วงเหงาครับผมจะเตรียมพร้อมนะเอ่อกําบ่ายนี้อยู่ที่สาธารณสุขจะมีอเล็กซโตเข้ามาเนี่ยขอ โอเคเอามาประมาณครอบครับตัวนึงเหลือนี่ก็ 350 บาทนะครับนะน้ํา 14 ครับเมื่อเด็กๆเขาเป็นคนซ่นอันนี้เค้าเรียก เพราะฉะนั้นเหตุคือเมื่อเขาเด็กๆเมื่อเด็ก เพราะฉะนั้นเมื่อนี่ที่เขาเป็นคนสอนเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนขยันผมๆกับสรุปเลยใช่มั้ยครับผมถ้าข้อสรุปไม่มีความสัมพันธ์ ข้อที่ 2, 2> ถ้าฝนตกแล้วแดดออกทั้งหมดนี้คือเงื่อน อือฮะพร้อมครับใหม่ผมเรามาดูข้อ 2 ก่อนในข้อ 2 สิ 9 ประกอบเลยนะครับดูหน้า 9 ประกอบจับหน้า 9 ไว้ มองอยู่เพราะคราวนี้ผมไม่ข้อผลผลนั้นได้ออกนี่คือเงื่อน วางเซ้นส์คอมมอนเซ้นส์ของเราเนี่ยทิ้งไปก่อนนะเราเอา ถ้าตกแล้วแดงออกอันนี้เค้าไม่ใช่ผลว่าวันนี้คือเงื่อนไขในเงื่อนไขมัน บนๆไม่ใช่ก็ต้องเป็นตัวนั้นไม่ถูกงงบ่งงบ่เดินข้อไม่เดี๋ยวๆเดี๋ยวจะครับผมเพราะยานี้ไม่ผมนี่ ข้อสรุปยานี้ไม่ขมไม่ขมคือไม่ใช่ขมไม่ใช่ผลคําครับผม 2 ครับยานี้ไม่ใช่ผลประดิษฐ์รู้มั้ยก็เลย เหตุคือในหน้าผลคือมีถ้าพอก่อนรู้เงื่อนไขแล้วเนาะรู้เนี่ยหรือยังรู้บริยารให้คุณ เป็นปรมินาถ 9 ครับกับปรมินาถ 9 อยู่ข้อไหนไหนข้อสรุปเป็นเหตุสรุปขึ้นผลผลเพราะฉะนั้นที่นาของฉันต้องมีถ้างงมั้ยครับดูก่อน ข้อสรุปเป็นเหตุคําตอบก็เป็นผลข้อสรุปไม่เป็นผลคําตอบก็ไม่นี้แหละครับเลยข้อสรุปเป็นเหตุคําตอบ ด้วยขานทุกขลิปกินแมลงเหตุคืออะไรครับสละคาบงบูไว้กินแมลงกินผลเออ ข้อข้อ 5 นะข้อสรุปเป็นเหตุคําตอบต้องเป็นผล เนี่ยเราเรียกว่าเงื่อนไขนายเขียวเป็นผลข้อสรุปเป็นอืมข้อสรุป 30 นาทีซื้อทําข้อสอบได้ข้อเลยเฉพาะนี้แล้ว ต้องเราถูกเขาก็คงถึงแม้ว่าไม่ใช้เทคนิคครับก็ดิเกตครับเขาไปจับเขาจึงรวยๆแล้วไปมากฉันไม่ไปสอบ เสร็จครับข้อ 8 ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนไปดูข้อ 10 นะครับปลาดำน้ําลုံคือเหตุคือดำน้ําตอบข้อสรุป ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันฉันจะเลิกใช้รถยนต์ทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องไขเหตุคือขึ้นราคาน้ำมันผลคือเออชาวรถยนต์ฉันเลิกใช้รถยนต์ข้อสรุปเป็นผลก็ต่อสรุปแน่นอนนี้ได้ 12 ผลตกฉันจะไม่ไปดูหนังเหตุคือผลตก แต่ฉันไปดูหนังข้อสรุปไม่ใช่ผลดูไหนข้อไม่ไปดูหนังไม่ใช่ใช่ผลเพราะผลนั้นคือไม่ไปครับไม่ใช่ผลคือตรงกันข้าม 2 งงมั้ยไม่งง 13 คนจีนขยันทุกคนนี่คือเงื่อนไขเหตุคนจีนคนใครขยันนาย 17 เลย 16 ข้ามไป 5 ลบไปบุญแน่ผลคือมาโรงเรียนสายนายดีมาโรงเรียนสายข้อสรุปเป็นผลถ้าตอบสรุปแน่นอนไม่ได้ 18 เก็บออมวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้านี่คือเงื่อนไขเหตุพื้นเก็บออมผลคือเศรษฐีสํารังเป็นเศรษฐีข้อสรุปเป็นผลถ้า ดาวอากาศเย็นเพราะฝนตกนี่คือเงื่อนไขเหตุคืออากาศเย็นฝนคือฝนตกแต่อากาศวันนี้ไม่เย็นไม่เป็น ไม่ใช่ผลคําตอบก็ต้องไม่ใช่ผิดนั่นคือแต่ไม่ 2 ข้อพออัน 1 ก็คือไม่เปิดหน้าที่ศึกษาสมัยครับ เป็นตัวอย่างที่ 1 ครับประเด็น 1 ฉันจะไปเจอใหม่หรือตลาดที่ว่าหน้าที่ 1 ถ้าเขาให้ข้อสรุปฉันหรือตลาดที่ว่าฉัน ฉันไม่ไปตลาดที่ว่าเพราะกลัวโจรศาสในวัดไทยในภาคใต้ครับอย่าไปเติมดินขาดเลยเลยนั่นคือการสรุป ลักษณะของการเปรตเทศมันจะมีกับว่าคนนั้น 2 กับตัว 3 ให้ครับนะลักษณะของ คุณพรอาจารย์คุณพรคุณพรแก่ว่าสมองมันสมองมันอยู่ตรงไหนครับผมหน้าแบบนี้เอาครับผมสมองแต่อ่านบอร์ดสําเนินสําเนินก็อยู่ไหนครับผมบอร์ดเนี่ยนะครับเขียนเขียนเขียนในแบบนี้เอาครับคือเขียนบนเขียนล่างก็คือจะรู้สมองแก่กว่านิธิพงนิธิพงแล้วให้ นํา <c ười> <ừ. S 1> 3 นํา 4 ถามมาแบบไหน 3 ครับ a, a, a b ยัง b 3 กว่า b 3 กว่า 4 c อยู่ไหนได้บ้างครับอยู่เนี่ยครับเคยเขียน B สูงกว่า d c สูงกว่า d c ต้องมาสรุปไว้ตั้ง 4 ทุกนี้นะครับสูงเนี่ยเนี่ยคือมันเรียกว่า 2 มั้ยทําก่อนแล้วค่อยจับมันมาเสียบตึ๊บๆลงไปครับและ a ต่าง d a ต่างกว่า d ก็แสดง c d เออบีบีแบบนี้เพราะนั้นใครสูงตัวโตนะได้ตามสูตรใครตามสูตร 2 ถ้าท่านไปดูนะครับเขียนเป็นเวรออยเลอร์บาทไกลว่าไงครับกรมรูปภาพแพ้วงรูปภาพครูอ่าท่านดูครับเป็นวงรูปภาพเป็นครูนี้นะพ่อเป็นพ่ออยู่ไหน แล้วถามว่ารูปเป็นอะไรรูปเป็นโคได้มั้ยได้เออรูปก็เป็นรูปอย่างนี้ก็ แล้วอยู่ไปเป็น 2 นี้ถ้าผลตกฉันจะออกเกี่ยวเหตุนั้นคืออะไรครับผมผลตกครับผลนั้นคือตกฉันจะออกเกี่ยวเป็นผลวันไทยแล วงบริคานิกรุงใหญ่ถ้าคิดตรงนั้นแล้วก็ฤอีสานเป็นคนไทยหรืออีสานเป็นคนไทยเพราะว่าอีสานต้องเล็กใช่มั้ยครับ ฉันไม่ไปสอบก็สอบตกฉันไปสอบก็สอบตกไม่จําเป็นต้องเขียนอะไรเลยจะไงๆมันต้องเป็นไงครับผม โลหะวงใหญ่ใช่มั้ยครับอันนี้คือวงของโลหะเป็นโลหะโลหะโลหะไหนโลหะโลหะวงโลหะทุกชนิดยกตลอด เป็นของแข็งเป็นของแข็งครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเงื่อนเป็น อุสาอ่อนกว่าบุษบาแล้วไม่รู้กันยังครับอุสาอันนี้บุษบาบุษบาอ่อนกว่าสมศรีพอแค่เท่าที่ไหนเดี๋ยว 15 ใครทําได้ครับอาจารย์ดูหน่อย 95 ของพุทธิพิธมีลักษณะกลมเรียกนะครับเอ้าลองดูของพุทธิพิธมีลักษณะกลมเรียกว่า กลมก็คือวงที่เป็นสุขอย่างนี้อันนี้คือวงของกลมใช่มั้ยเดี๋ยวได้มั้ยอย่าง อันนี้เวลาได้มั้ยได้อ่าลูกบี้เป็นได้ครับฟุตบอลและเป็นได้ครับฟุตบอลได้ครับผม ครับท่านจะเริ่มข้อ 2 ข้อถือว่าเจอ 3 4 ข้อตัวนี้มาทั้งข้อ 2 ข้อผมมัน 6 ข้อแล้วเปล่งกลับมาครับถ้าๆคนนะครับ สามมาทําข้อสอบที่เขาให้โจทย์มาจะข้อเดียวแล้วและการสรุปที่ข้อเหตุผลสรุปเงื่อนไขทาง 3 ได้คือว่าเหมือนกับอะไรปลิวเข้ามาอยู่ในมือถ้าแล้วคือข้อ ตอนผมก็มาแล้วเอกสารมันคือคลานอยู่หน้างานมันจะ ผู้อํานวยการธุรกิจแผนและมาทีมแล้วแรกค่านี่เอาเลยเป็นค่านะฮะ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 ประชุมครับทางรัฐมนตรีรดต้นละกันรดต้นได้กันท่านเกษตรกร สมมุตินอกค่ายมีความเคลื่อนไหวทางคนหมายต้องการรอสไบของคุณจิ้ม ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าห้องน้ําสําหรับคุณผู้หญิงนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือห้องเอา ขอรอคิวห้องห้องน้ําในห้องพักเหมือนเป็น 5 ห้องเลยขอไปดีครับผมยกมือว่าเจ้านี่ ถึงนะเนี่ยคือช่วยกันที่เราตามใบคร้าบอีกนะฮะดูในเว็บก็ 202 แหละที่เขาซื้อซื้อสอบอออาจารย์ อาจารย์ขอพูดอย่างนี้ก่อนส่วนวิจัยเฉพาะตําแหน่งอะไรจากเดี๋ยวจะคุยไปเรื่อยๆนะความเพ่งไหวก็จะคุยไปเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ครับประมาณ 3:30 เราถึง 100 คะแนนแล้ว อาจจะดาวหน่อยนะครับนะอาจจะบ่าย 3:30 น. ให้จําทดสอบ กพ. ได้ป่ะผมลืมมาเดี๋ยวไป ด้วยความสามารถทั้งไปที่เขาจะออกโบเดลเรื่องที่เร 4 เรื่องที่ 5 ครับออก 7 นี้ครับพลาดไม่ได้หรอกนั่นคือการวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากทางเรื่องที่ 17 ครับการ เงื่อนไขทางสัญญลักษณ์ผมเอาตัวอย่างให้ท่านดูเลยนะเช่นท่านดูหน้าที่ 17 ครับดูตัวอย่างครับโจทย์เขาจะให้มาเช่น o o มากกว่า p p น้อยกว่า q มากกว่า q มาก q มากกว่า 2 ครับใน r มาก s s มาก o เท่า o เท่า o o น้อยกว่า t เพิ่มอันนี้ก็เรียกว่ามากกว่าอยู่อันนี้เค้าเรียกว่าโจทย์จะให้ หาของสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วไม่มากกว่ามันเป็นไงไม่น้อย 2 เงื่อนไขนี้เค้าให้มานี่ครับก่อนท่านจะไปแก้โจทย์ปัญหาใดๆครับให้เปลี่ยนสัญลักษณ์ก่อนดูนะครับมันจะมีเงื่อนไขที่ต้องแปลงสัญลักษณ์ กับไม่มากมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นเองโดยจะบอกไม่น้อยกว่าให้ พอมากขึ้นอะไรอย 2 อย่างเงี้ยแบบเนี้ยน้องนี่คือคือคือเธอต้องแปลงก่อนเข้าใจมั้ยครับผม ลักษณะของโจทย์จะให้เงื่อนไขแล้วจะให้ข้อสรุป 1 n มากกว่า p ใช่มั้ยเนี่ยเขาเขาคนนึงเขียนไปว่าให้ใชใชใช 2 m มากกว่า s ใช่ ถ้าหาก 1 กับข้อ 2 ครับใช่เป็นเรื่องเปาะป๋อไก่ hey, 2 เป็นเรื่องเปาะป๋อไก่ 17 นี้มาตอบดูกันต่อกันนะครับดูต่อข้อไข่ถ้าข้อสรุป 2 เมื่อกี้ได้ครับไม่เป็นข้อขอไข่ 2, 2>, 2 ไม่ ขอผ่านขอผ่านไม่แน่ชัดทั้งสองข้อไม่เป็นจริงหรือไม่ได้ ผมก็เกี่ยวที่ข้างบนเนี่ยหนอทําไมไม่สอบพลทหารกรุงเทพฯทําปอกหน้าประเทศไทยมาใกล้บ้าน อ่าท่านดูนะ m ไม่ n ก็คือ m มากกว่าหรือเท่า n ใช่มั้ยครับ n มาก o o มาก p p น้อยกว่า h หมายความว่าผมไม่ s เท่ากับ o o น้อยกว่าที่ที่ไม่มากกว่า q นี่คือไม่มากกว่านะครับผมพอใครยังงงสิบอกอาจารย์ 2 เงื่อนไขครับ คือมันมีทั้งเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขที่ 2 คือตัวอะไรครับผมตัวโอนะครับอย่างงี้นะครับข้างล่างมีตัวผล 4-5 ในที่นี้ครับศูนย์ ค่าตัวแปรนึงคือ 4 คือมันมีเลข 0 ถึงเลข 9 เราเอาเป็นค่ากลางๆ4 อาจารย์ 4 นะตัวแปรร่วมเล 4 เลยนะครับคือกําหนดตัวแปรร่วมเป็น <Okay. S 1> แค่หนึ่งอ่ะดูนะครับใครผมสมมุติเอาสมมุติว่าเอา O เป็น 4 ผมทําไมจึง 4 นะคือคือบอกจะเป็น 5 เป็น 6 เป็น 5 กลางๆทําไมผมจึงเอา O ทําไมผมไม่เอา N ทําไมไม่เอาเพราะเป็นทั้ง 2 ทั้ง 2 เรื่องจบ 2 ครับเดี๋ยวนี้ข้อ n มากกว่า o งั้น n เป็นอะไรได้บ้างเป็น 5 เป็น 6 เป็น 7 ไปได้มั้ย ครับนุ่มบ่เนี่ยเอาซิดอกก็ได้ 4 ขึ้นมาตัวไปได้บ่เนี่ยได้อยู่อ่ะอ้าวเป็น 4 แต่ว่าที 3 1 3 2 1 ทีน้อยกว่ายูยู 4 4 5 6 อันนี้คือเงื่อนไขที่ 1 สบายรู้แล้วว่ามีค่าอะไรไปดู S เท่ากับ O เนี่ยเป็น 4 อ้าว R S, <S อ่าเป 5 เป็น 6 เป็น 7 ไปเป O น้อย T O เป็น 4 T มี 5, 5 6 7 ครับ 5 6 7 นะครับอืมก็ ขอโทษน้องทีนี้อาจารย์ไปลูบเดินไปถ้านี้โลดนั้นนะครับผมนะแค่จะทําอยู่ เกทเพราะ <7 S 1> 5 ได้เพราะบรรทัดครับมีข้อตราบด้วยผมมาพิสูจน์อีกครับข้อสรุปข้อ p ได้มันใช่มั้ยจริงหรือไม่จริงไม่รู้ n มากกว่า p n คือ โดยนักเธอเป็นจริงข้อสรุปข้อ 1 เป็นจริงแก่ 2 m มากกว่า s อะไรเอ่ย 5 6 2 ก็เป็น 1 ก็เป็นจริงข้อสรุปที่ 2 ก็เป็นจริงก็เป็นเรื่อง 2 ถูกต้องเลยเป็นจริงจบได้แล้ว 1 คะแนน สอบคะแนนกว่าๆเพราะฉะนั้นข้อสอบพอมาให้ตัวนี้สอบพอพอนี่ข้อเรา 10 คะแนนแล้วผ่านแล้วเหรอก็มาติวทําไมล่ะตรวจชีทเอาไว้จังซั่นสามารถทําข้อ พอๆเมื่อกี้นี่อะไรกี่ข้อ 3 ข้อมั้ย 3 ข้อ 5 เลยเหรอข้อถามข้อเดียวโจทย์พอจะ 3D เลยใช่มั้ยมี 3D พวกไหนน่ะที่ไม่แล้วง่ายกว่านี้อีกเมื่อกี้ใน อ่าได้ลิงก์ได้นี่อ่าพอจะขอ ปพ. มาให้ทํารูปเปิน 520 นี่ครับ 2, 2> เงื่อนไขและจะให้ข้อสรุปมาแบบข้ออ่ะจะดูคราวนี้ R น้อยกว่า a b b น้อยกว่าไม่น้อยกว่า n 12 n มากกว่า p p น้อยกว่า c c ไม่มากกว่า n แล้วเค้าจะให้ข้อข้อให้คุณพิสูจน์ค่าข้อ 5 ส่วน 2 55 2 หารมันมา 5 หน้าข้อนี้จะได้ 10 กว่าคะแนนแล้วนี่ขั้นตอนแรกทําไงครับผมแปลงครับผมแปลงคําว่าไม่มากกว่า อ่าน้อยกว่า a b b ไม่น้อยกว่า c ว่าเป็นอะไรครับมากกว่า a a ไม่มากกว่า p ก็เป็น a น้อยกว่า p a, k. p c แปลงก็เป็นอะไร c มากกว่าหรือเท่า ตัวแปรร่วมทั้ง 2 เงื่อนไขคือได้ครับผมเออื A, A. ประมาณเท่าไหร่ครับผม 4 ครับเราแปรค่าที่ 4, 4 แล้วก็แปรค่านี่ครับตัวนี้อยู่ในหน้าที่ A แ justice for x, B, what thend man da B and c background from O, what i want to êm mic i don't Quiz. farmers where I president what i want to have a new alphabet for KII? Quiz. 所以 importante, p could have been непend line for X a couple of months at Q. Almost to me, PClik 2021希 bicycle Sian Hitti น้อยกว่า a, a ก็จะเป็น 3 2, a, 2 q น้อยกว่า a อ่าแล้ว n มากกว่า a, <5, 6. S 1> a อ่า 6, 6 7 a น้อยกว่า 3 p น้อยกว่า d อ่าโอเคแล้ว 5 4 3 ใช่ คือไม่เท่ากับ n ใช่มั้ยคือได้เท่าไหร่ครับผม 3 2 1 n เด้อ 5 ไม่มีโอกาสที่จะมาเท่ากันเลยใช่มั้ยครับผมเพราะเดิมมันลงล่างข้างนึงข้างบนอันนี้เป็นจริงข้อที่ 2 b ไม่น้อยกว่า m หรือต้องเป็นเติบไปมากกว่าคืออะไรครับผมน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเดิมเขียน b b มันคืออะไร m m เท่าไหร่ 5 5 43 43 เท่ากับมีมั้ยมีไม่เท่ากับมี b น้อย m ใช่มั้ยเออเท่ากับ b 4 ไม่ว่าหาจะ b มากกว่า a มีมั้ยคร b ครับคือ b เป็น 4 แต่ f เป็นเท่าไหร่ 3 2 1 เพราะฉะนั้นไม่แน่ครับแบบที่ไม่แน่ที่ 2 มี ยังมีงงข้อสรุปที่ 2 B เท่ากับอะไรครับผม 4 เธอก็ m m มัน 5 4 3 2 1 เค้า b น้อยกว่าเท่ากับ C เท่ากับ m ใช่ 4 4 หาโดยที่ r มี b คือ 4 นะ b คือ 4 m ก็ 4 m เป็น 4 b เป็น 4 ได้นี้ต่อไป b เป็น 4 น้อย m ใช่ b เป็น 4 m เป็น 5 ใช่มั้ยครับผมได้เป็น b มันน้อยกว่า 3 มั้ยไม่น้อยกว่า 3 เลยครับมากๆกว่า 3 เพราะ ไอ้ดูข้อสรุปข้อต่อไปนะครับดูข้อสรุปที่ 1 ข้อ n ไม่ c n คืออะไร c ครับ 5 5 6 7 จริงหรือ a มาก m a คือ a คือ 4 m 5 5 4 มากกว่าฉะนั้นมันแน่ชัดไปกว่านี้มั้ยไม่แน่ชัดเพราะฉะนั้นมันมีมั้ยเท่ากันมีมั้ยเออมันมีทั้งเท่ากันด้วยก็มามา 4 โอเคนะครับผมแสดง ไม่แน่จ๊ะไม่แน่จ๊ะต่อไป a มากกว่า m a มากกว่า m a เท่ากับเท่าไหร่ครับผม 4 m ล่ะ 5 4 อ้าว a มาก m มีมั้ยอ้าว 3 ถ้าเห็น 3 a นี่เป็นแต่ a เท่ากับเปรียบมีมั้ยมี a น้อยกว่า m มีมีครับครับ ไม่ได้จัดทั้ง 2 ข้อใช่มั้ยครับ 2 ต้องตอบข้อ 3 ข้อ 1 p ไม่มากกว่า b ถ้าต้องแปลง b ไม่ไม่ p ไม่น้อย b เธอ p มาก b ใช่มั้ย b 4 p 4 มีมั้ยครับผมมี b 4 ก็ p 5 2 b มาก q เสมอๆ b มันเป็น 4 มั้ย q เป็นเท่าไหร่ครับ 3 เสมอใช่มั้ยเสมอเสมอจริงทั้ง 2 กรณีผมข้อ n ไม่เท่ากับ 4 ออเดอร์ n เท่าไหร่ครับ n ไม่เท่ากับ 4 n เท่าไหร่ครับ n n เท่าไหร่มีมั้ย 2 อย่างมีทั้งเท่ากันและไม่ จริงคือคืออย่างงี้อาจารย์บอกครับคือ n เนี่ยมัน 5 6 นะเท่ากัน c เป็น 5 ได้มั้ยอ่าได้ถ้า x คือมันอ่าถ้า n เป็น 5 c เป็น 6 ได้มั้ยได้อันนี้คือไม่คือ n มันไม่เท่ากับถ้า n เป็น 5 c เป็น 6 เป็นจริงมั้ย แต่มันไม่แน่นะดูมันมีบางตัวที่ทําไม่แน่นี่เนี่ยเค้าเรียกว่ามันไม่แน่แต่มันแน่จริงมั้ยมีมันไม่แน่ไม่ c น้อย r c น้อยคืออะไรครับ 5 6 r 3 1 ไม่จริงเลยใช่มั้ย r ไม่เท่ากับ m ใช่มั้ย r ถ้าเป็น 3 m เป็น 5 3 n เป็น 4 เป็นจริงมั้ยจริงแต่ถ้า r เป็น 3 m เป็นคือ 3 กับ 3 เพราะฉะนั้นครับข้อสรุปที่คุณให้มาเนี่ย C ของ 5 6 7 มี 3, 3 2 40 เลยครับโอโอมี 4 ด้วยครับ 4 3 0 8 2 1, 1> นะโอโอมี 4 3 0 1 เพราะฉะนั้นจริงไม่เป็นจริงจริงแสดงว่าข้อสรุปที่ไม 1, <อ> 1> <อ>ไม่แน่ คือถ้าหาก็ปัญหาเห็นจริงจะขอบคุณนะอาจารย์มันดูได้อะไรไม่ได้อะไรแบตเตอรี่มันไม่อยู่นะเดี๋ยวอาจารย์งงจะต้องไปตามอยู่ โอเคครับผมนี่อาจารย์ฝั่งว่าถ้าออกมา okay, 2 แค่ค่ากลางมา 3 ก็หาตัวมากกว่านั้นก่อนครับไปดูการ จากเงื่อนไขทางภาษาเมื่อกี้นี่มันเป็นสัญลักษณ์ครับผมอาจารย์ทีละทําไม คือรูปเพียงผมเรียกไขทางภาษามาไว้ด้านหลังครับสารภาพอยู่ก่อนแต่ว่าไม่หาถึงว่าเพราะอะไรครับผมเพราะผมลืมมาลงไปนะครับผมผมมา <c ượ n alı> <c societies> ข้างหน้าสวยแต่ข้างหลังก็เรียกว่าได้กับเน่าเป็นปลาเลยสะเดาภาษาผมก็เรียกประจําครับคนนี้เลยซื้อหนังสือวิ่งเข้าไป บางกรณีซิสทราโครมนาจําจําเลยนะครับดาญจําถ้ามีประสบการณ์ในการซื้อคิดมาสอบรวมกันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับอยู่ข้างในนั้น ผมเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจการขายหนังสือมันรู้กันดีว่าอะไรคืออะไรมันจะบาทครับผมถ้าเป็นเปลวดํานั้น <an> <t iny> เอ่อจริงขายหมดแล้วประมาณบรมจะได้ขายประมาณรถพี่รับเดียวละ 1 รถ 10 ล้อครับผมที่ขายครับผมขายหมดบาทอาจจะเหลือ 7 บาทอยู่ในของตลาดเราหนังสือรถประพูดเพราะฉะนั้นหนังสือตัวนี้ครับหลัง มันจะมีเงินครับที่ผมทําไปแล้วทํา 3,000 กว่าเล่นครับแล้วก็หมดเคลียร์ครับก็คือนักจัดการศึกษาครับ นักจัดการพัสดุครับนั่นคือเราผลิตอ่าแล้วพระเจ้า จะเก็บปากเหมือนวิชาการศึกษาที่สุดประสบอยู่ๆคือกพรบโรงเรียนประชชลอ่ะแล้วพลบลูกเสือท่านลูก รถของเกทมันเป็นยังไงที่ดีการใช้รถของเกทแล้วเกี่ยวกับงานวัสดุงานสารบัญพวกนี้คุณต้องรู้หมดนะครับโดยเพราะสารบัญนั้น 2 485 <ไม>อะไรครับผมนะไม่ แต่การรับตราเปลี่ยนพระราชกรมต่อไปของปี performance <rac oon transition> นั้นไม่ธรรมดาครับมีเรื่องเวลากันอยู่ที่การนี้บุรีรัมย์นั้นโทรมาดีเก่งแพ้ผู้หญิงทุกคนยังคุยอีกอ่ะทุกอย่าง ถึง สพท. บอกว่าพอมีใบสั่งให้พอโรงพยาบาลมาซื้อหนังสือจากไปคุยกันเพราะมีผลทดมากกับการขาย 3 บาท 3 บาททั่ว ตามหลักประเทศเราก็ได้ไปประมาณสัก 30% เท่านั้นเองคนขายได้ 30% เฉพาะที่ตัวของไม่ได้ครับยอดขายเฉพาะของอาจารย์ครับเค้าขาย 15 วันฮะเค้าได้เกือบบาททั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยครับหนังสือมันขายให้หมดแล้วกันหนังสือจะขายทั้งหมดแต่ที่หมดให้ตัวที่เล่าเป็นฟองนั่นแหละที่ขายไปหมดที่จริงไปนั้นคือภาษีรู้ตัวอยู่ครับผมครับเต็มเป้งให้หลอกครับผมศิริภา ไปดูหน้า 592 การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเครื่องใสทางภาษาการวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเครื่องใสทางภาษาก็จะเหมือน 12 ข้อ พ.พ. เมื่อกี้นี้เหมือนกันนะจะหนัก ตามอย่างเดียวคนที่คิดไม่เป็นจําเหมือนกันเลยจําเหมือนกันน้องปลาปลายมีด้านไกลด้านกุ้งพฤติกรรมได้ได้ครับผมพิจารณาได้ครับแต่ขอบอกนิดนึงคือหลักเกณฑ์การตอบข้อสอบ แต่ directeur كده ไม่ได้ครับโดยเงินขายที่เค้าให้มาครับเธอต้องมาสังเคราะห์ให้ได้นกปลาไก่และปูอยู่ห้องเดียวกัน ตרום 2 ไก่ 3 ปลานกนะเอาล่ะนกสอบคณิตศาสตร์ตามกองปลาปลาตามกับปูปู เพราะฉะนั้นครับในเมื่อเธออ่านข้อมูลเสร็จปุ๊บเธอก็มานี่พร้อมต้องจัดเรียงลําดับมาแล้วครับถ้าว่าใครเอ้ยตัวนี้ไม่เป็นเธอ <inter Hob bes> โดยเฉพาะโปรไฟล์นั้นมีกี่ระดับใครมากกว่าเท่านั้นก็ต้องอยู่ข้างหลังป่านกต่ําป่าใช่มั้ยครับ Pra tamm kwa nuk no, le kai? Pra tamm kwa nuk no, le kai? Pra tamm kwa nuk le kai? Pra tamm kwa nuk le kai? Kai dai kren kisik tamm kwa kum Nuk no, kai kum, kum súng, yeah. um. nha no, ปลาอ่อนกว่าไก่นะปลาอ่อนใต้ไม่เขียนไว้ ตบตบเรอนกว่าเป็นเรียนตามระดับนี้แล้วมีคนตกวิชาสร้างโมเดลขึ้นสร้างโมเดลขึ้นมาไปดู ใช่ๆวิชาอะไรครับชื่อนะแต่แต่ผมไม่ถามเหตุผลนะ 4 คนนี้ใช่มั้ยใช่คือ 1 และ 2 ไม่เป็นจริงต้องเลือกเท่าไหร่ครับผมต้อง นี่เป็นการสรุปวิธีการสรุปวิเคราะห์เปลี่ยนผลจากการแก้ไข 93 นั้นข้อมูลไม่ไปบอกท่านอาจารย์ข้อมูลไม่บ้าน 194 บ้าน 6 ชั้น 6 ชั้น แต่ละชั้นมี 2 ห้องท่านจินตนาการหน่อยว่ามันเป็นคอนโดเหมือนกันแต่ละ 2 คนท่านแต่คิดไปก่อนอยู่ 2 ห้องเออมันติดปอง 2 12 บ้านมี 12 คนท่าบ้านออกมาอะไรครับ 1 สารภาพในนั้นครับนั้นมี 2 <อ>ห้องแม่ไม่ต้องทาสีแล้วบ้านไม่ต้องใส่ 2 ห้อง 12 คนใบลงครับต้นอยู่ห้อง 2 ชั้นและสูงกว่าต่อให้ 1 ชั้น จากที่พูดเนี่ยมันอะไรครับเช่นต้นกับตาลอยู่ห้องใดกันก่อนต้นกับตาลมีการต้นต้นแล้วแต่ ต้องเป็นใครครับผมป๋อยป๋อยนะป๋อยก่อนครับป๋อยแล้วป๋อยป๋อยต้นครับใต้ต้น ดำโอเคเขียนไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนครับเขียนไว้ก่อนดําและหน่อยอยู่ห้องเดียวครับดําไม่อยู่ร่วมกันมีห้องเก็บ ห้องเก็บของอยู่ 3 เอาละตัว 3 เป็นไรครับผม 3 อีกคนนึงครับดําชั้น 6 มีห้องเก็บของอีกเดี๋ยวก็ไม่เห็นป่ะนี่นี่ขึ้นมาเนี่ยเฮา ครับดำต้องอยู่ 1 กับนิด 1 กับ 1 กับนิด 2 ชั้นหน่อยอยู่ชั้น 6 1 กับนิดต้อง 4 1 กับ แมอยู่สูงกว่าเลขซึ่งอยู่กับ 2 ชั้นครับอยู่สูงกว่าเลขกับเนี่ยคือเราใส่คือสอย 4 ดํา 3 สมมุติ ดูข้อสรุปครับตัวนี้ข้อสรุปที่ 1 ดําอยู่ชั้น 3 ใช่ใช่ใช่ครับเป็นจริงครับมีทั้ง 3 ถ้าใจจะตัวนี้ข้อ 2 เจอข้อจะว่างชั้น 5 ก็จะว่างเป็นจริง 2 เพราะฉะนั้น 2 เป็นจริงคือบอกว่าอะไรครับผมนี่แหละครับที่เค้าเรียกว่าการสรุป คือสร้างโมเดลขึ้นใหม่ได้ครับแล้วต่อครับผมครับเปิดเอกสารกลับขึ้นมาครับการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาครับการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา มันมันมีอะไรครับขอรายใหม่การเข้าค่ายครั้งหนึ่งจัดผมคิดพอละขอเรียน นกเหยี่ยวนกกระจากและนกหนูยุครับเค้าบอกว่าเข้าเต็นท์ที่เรียนลําดับจากเต็นท์ที่ 1 ถึง 6 ว่ารูปเลยครับ 1 นี้ เอาบาดด้วยเลยน้ำแก้วห้ามน้ำแก้วครับเอาน้ำแก้ว อยู่ก่อนเพราะฉะนั้นหงยกแล้วก็เป็นอะไรครับผมพีราห์ยกหงยกแล้วก็พีราห์ท่านไม่ใช่ก่อน นกเอี้ยงแล้วอะไรครับผมขอโทษครับผมดกนกวิลาปนกเอี้ยง 4 หมู่นี้ต้อง 4 4 นี้ 4 หมู่ ห้ามในเตนที่ 6 กับนกกระจาบเตนที่ 6 เขียนตาม 16 และห้ามให้นกกระจาบไปติดกับนกผู้ทั่วถ้าเอาแก้ว 4 4 <5. S 1> หมู่นี้จะลง 4 หมู่ใช่มั้ยครับผมนกเอี่ยม ตัวถาดรถนกแก้วแก้วแก้วอยู่อยู่ในแตงแก้วได้เพราะว่าห้ามเฉพาะ 3 ใช่มั้ยครับใช่แก้วอยู่ 5 ได้ได้ครับได้ครับ 5 คือคือได้ครับคือมาเค้าเรียกว่าวิเคราะห์ทางทางภาษาครับผมเอออยู่นี่เลยตรงนี้ อยากให้ดูคําท่านมันอยู่นี่อยู่ 5 แก้วอยู่ 1 ก็ได้ 1 หง 2 ใช่ 2 พิราบ 3 เอี้ยนอยู่ 4 คุณทอง 5 ถ้าแก้ว 1 พิราบ 2 เอี้ยนอยู่ 4 ครับถามข้อนี้ลองไป ไปครับอยู่ในเตน 1หนี้เราไปจับถ้าถ้าของแก้วมาอยู่ติดนบจากผมอยู่ ทีละเย็นโอเคโอเคนะถ้าจะได้แบบนี้ 2, <Okay. S> 2> ใช่มั้ยใช่ครับจะตอบข้อกไก่เลยจากเงื่อนไขทางภาษาเนี่ยไป แต่การวิเคราะห์สรุปผลทางสัญญะนะครับ อีกอย่างนึงที่พลาดไปได้นะครับนั่นคือสถิติและการวิเคราะห์ อันไหนที่มันจําเป็นไม่จําเป็นอาจารย์จะไม่คุยนะครับเอาเฉพาะส่วนที่จําเป็นครับยิงกันเม็ดๆเลยรอบโดยทั้งนั้นจากไม่เจ้าเวลาจากวันนี้จนถึงวันที่ 23 เธออ่านหนังสือเสร็จพี่หน่อยก็ได้กับอาจารย์วันนี้ครับเธอได้เกียรติทั้งหมดแน่นอนครับเธอได้ตรงนี้คือต้องไปอ่าน แต่ 24 เค้าเตื้อต่อไปครับผมเดินทางไปสอบแล้วก็ไปไหว้ศาล แล้วที่ 15 ต้องชาวบอกว่าจะมีทีม แต่เขาสตูดเริ่มไปขายก็ตรงนี้ครับผมทําบุกเส็งแล้วก็พอนําทด ไวยรณ์หน้าที่ผมครับสันทิธิและการของมูลคือเนี่ยครับข้อสอบตัวนี้ครับผมสติกับ ถ้าเธอเห็น 17% นะครับมันจะหมายถึงมีค่าเท่ากับ 17 ส่วน 100 ถ้าเธอ 16% เห็น 16 ส่วน 100 24% ก็คือ 24 ส่วนนั่นเองครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเธอเห็นโจทย์ประเภทหน้าวงกลมนึงครับมันจะเต็มทั้งหมดเท่า 100 ครับ 100 ส่วน 16 ส่วน 24 ส่วนเธอจะพึ่งไม่อ่านคํา 100 นั่นคือที่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม 43% คือจะได้เงินไทย 43% รวมต้อง 100 17 16 24 รวมได้ 57 57 ที่เหลือมันต้องเป็นไทยรัฐ 43% พอได้ 200 คนเพราะ เราต้องมาทําให้เป็นข้อมูลให้ได้ท่านครับอยู่ในเรื่องนี้เรใหให 17% ให้เป็นจํานวนคนให้ได้ 17% ของ 200 คือ 17 200 200 24% ก็ 24 100 200 แล้วใคร 43% ก็ 43 100 200 คูณได้ยังไงท่านเขียนเป็นกราฟสร้างเป็นข้อมูลออกแล้วมีหัวหน้าฐี นี่นี่มี 34 คนนะครับสรุปเรื่องคุณเป็นอย่างที่ว่าอาจารย์ แต่ว่ามีนักศึกษานิยมอ่านหนังสือพิมพ์มัติชนมากกว่าประชาชติ 24 48 ประชาชา 32 รวมกันออกกี่คนครับ 16 รวมเท่าไหร่ข้อที่ 3 มีนักศึกษานิยมอ่านหนังสือพิมพ์เดลี่รีวิวประชาชาติบทรวมกันใช่รวมกันเท่า ภาษีศรีมีประทานครับผมว่าหนูกดร้อยล้านจ้ะเอ่อนักศึกษานิยมอ่านมัธยชนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไทยละโอ้จะรู้ อ่าติดตรงนี้ได้หน่อยครับอ่ะไม่เห็นครับผมตื่นขึ้นขึ้นข้างบนครับแล้ว นี่คือความหมายว่ากี่เปอร์เซ็นต์อยู่เท่าไหร่หารด้วย 100 ครับนี่เองครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์หน่อยมติชนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 48 คน เท่ากับไม่รู้ดังนะครับกี่ 48 เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อ เดี๋ยวนี้เราไม่รู้เอาไว้ฝั่งที่มันเดิมอ่ะยอมครับ 48 ไว้ตรงเดิมที่ท่านเตรียมไปอยู่ในห้องสอบแล้วครับปากกานะครับ 100 48, ได้ต่อนะครับในโจทย์นี้มั้ยก็ประมาณเท่าไหร่ 50 เท่าข้อต่ออาจารย์ครับท่านที่ต้องการคิดครับ 4% เพราะฉะนั้นครับ ครับพอจะทวนมาถึง 100% 82 ขึ้นมา 82 เอามันจะเต็ม 82 ครับอัตราส่วน เหลืออยู่ประมาณ 5 นาทีกินข้าวครับเข้าจะได้กินมากครับตอนบ่ายผมรู้สภาพท่านดีรู้ดีครับสบายดีว่าสบายก็อยากจะรักอยากจะ ก็ติดตามให้ได้นะสงสัยจะให้ม่วงที่เราก่อนนั้นครู 20% ของจํานวน 80 20 คือ 20/100 แม่นรู้จักเท่ากับก็คือเท่ากับ 80 ก็คือ 80 นะครับคือแปลงกันได้กว่าเท่านั้นเองนอกนั้นก็แก้โจทย์ปัญหาโรงอีกทีกล้องมันอยู่ วิธีการคิดอ่ะคือเออ 20% นี่คือ 20% ของคือคูณจํานวนใดไม่รู้จักเท่ากับ มันอยู่ในตัวอย่างปีหน้า 82 ครับแต่อาจารย์อยากอธิบายให้รู้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถิตินะไม่ต้องกลัวไงเนี่ยครับอาจารย์แล้วพอพอนี้มั้ยสถิติ 83 1083 25% หน้า 83 ข้อ 2 25% ก็ 25 ส่วน 100 ของก็คืออะไรครับคูณ 240 12 เท่ากับก็คือเท่ากับจํานวนเท่าไหร่ไม่ 25 เขียนลงไม้ได้ตรงนี้ 3 เช่น กี่ไม่รู้เปอร์เซ็นต์ก็อยู่หารเนี่ยเคยได้น่ะ 12 เป็นกี่คือ 50 คือ 50 เช่นธรรมดาหน่อยครับผมแล้วก็ 4 20% ก็ 20 ส่วน ของก็คือคูณจํานวนใดฉันไม่รู้เท่ากับก็คือเท่าแบบนี้ครับผมเนี่ย รูปแบบแน่นี่คืออาจจะเป็นแผนภูมิองค์องค์เมื่อ 100% แล้วทําเปอร์เซ็นต์ให้ 200 ตัวนี้เธอต้องทําแล เดี๋ยวถ้าจะให้แบบนี้มาเพราะฉะนั้นถ้าแผนภูมิเส้นแบบนี้เอาแกน y ดังมากเลยนะครับก็จะ 1 2 3 4 5 6 พออ่านหน่อยแผนภูมิแสดงการของโรงเรียนการคานของโรงเรียนชั้นสงสาร 1 ถึง 6 สูตรคือชั้นพอ ข้อ 5 คือตัวนี้เนี่ยแบบนี้ใช่มั้ยข้อ 6 ออกค่าทางน้อยครับผมข้อ 3 มันเป็น พอหมดสรุปแน่นอนก็ได้ทําไมถึงสรุปแน่นอนไม่ได้ เนิ่นนะครับรองคิดเล่นๆนะครับการบริการสุขภัณฑ์ในโรงถ้าโรงเรียนนั้นมีนักเรียนไม่ ถ้าหากว่าไม่ 200 คนคำ 200 คนอืมมีน้ําดื่ม 1 ที่เพราะน้ําดื่มห้องแต่จะเป็นห้องร่วมเพิ่มขึ้นอีกเป็น แต่ถ้าหากว่านักเรียนเกิน 300 คนครับขึ้นไปจะ<อ> 3 ห้องน้ําเพิ่มห้องส้วม 1 ข้อมูลอะไรครับถ้านักเรียนเกิน 300 คนคือประเภทที่ 4 นะครับให้เพิ่มน้ําดื่มห้องน้ําและห้องส้วมอย่างละ 1 ที่ครับอย่าง ถ้าเกิน 25 คนให้ถือเป็น 50 คนเช่น 326 คนนี่ก็ได้เกินขึ้น 220 คนจะ 220 คนท่านที่ 3 คือ 300 เพราะมัน 200 ใช่มั้ย 3 ที่ตอบ 3 แบบ โอเคมั้ยฮะถ้านักเรียน 220 คนจะต้องมีห้องโซนศึกษาที่ถึงจะไม่รู้ซะซื้อเกิน 200 ไม่เกิน 300 อํานวย 400 คนจะมีน้ําดื่มได้กี่ 400 คน 4 ครับใช่มั้ย 300 เพราะว่า น้ำดื่มน้ำดื่มถ้านักเรียนเกิน 300 คนให้เพิ่มน้ำดื่มห้องน้ำและห้องส้วมแยกด้วยอันนี้มันเกินไปกี่ 50 ครับผมเนี่ย 250 แล้วคือถ้า 300 คนนี้ได้เท่าไหร่ครับผม 2 3 อยู่แล้วแต่มันเกินตั้ง 3 น้ำดื่มน้ำดื่มเกิน 300 คนก็ต้องเป็น 3 1 1 ใช่มั้ยได้ 5 ที่ <cười> ได้ 5 ที่ครับผมได้ 5 ที่นะเพราะ 352 ห้องได้หน้าที่ไปดู 5 ที่ห้อง 5 ที่จะต้องมีน้ํา 5 ที่ จะมีน้ำดื่มกี่ที่ 6 ที่เพราะอะไรครับผมเพราะน้ำดื่มมันจะเพิ่มกว่าห้องน้ําขึ้นอีก 1 2 น้ําดื่มจะ 3 แต่ถ้า 3 น้ํา 4 ถ้า 2 น้ํา 3 ห้อง 3 น้ําดื่มต้องมี 4 ถ้า 5 มี อ่าเหมือนกับเค้าจะเห็นนะครับข้อมูลด้านทาง 6 ที่ก็เกิน คน? 300 คนนี่เค้าให้เท่าไหร่ 400 4 <400. S 1> <400. S 1> คนมี<าม> 320 325 ประมาณ 15 325 ยักษ์ 4 ที่อยู่ใช่มั้ยครับผม 350 เป็นที่เทศคนมีอยู่คือทุก 25 นับเป็น 50 มันไม่เกิน 25 ครับผม 326 คนครับ 350 คนนี่ได้ ห้าที่ที่ 350 คนได้ 5 ที่ 376 คน 376 คนได้ 6 ที่ 400 คน 6 ที่ 425 คน 6 ที่เพราะ 376 จน 425 คน ถึง 40376 ถึง 425 หมดนะครับไม่มีคําตอบไม่ให้ทราบไว้นะครับแต่ครับหรือบางครั้งคืออาจนี้นะครับข้อสอบได้ที่ 9 นี้เป็นแผนภูมิ การรับของนักเรียนในปี 1 ครับจํานวนนักเรียนครับปี 21 ได้ชั้นกี่ เรียนบอลครับ 60% ถ้าเจอข้อต่อไปเป็นอย่างนี้ครับให้เขียนก็ 20% ใคร 23 ก็ 98 24 ก็ 80% 25 ก็ 100% ครับดูนะ เปอร์เซ็นต์ของนักปี 2 2 เท่าไหร่ครับ 60 60 ต่อ 25 1 ครับโอเคนะต่อ 100 แล้วคืออะไร 6 10 10 มันก็เอา 2 ไป 2 ก็คือ 3 ต่อ 5 ใช่มั้ย 3 ต่อ 5 ครับ 3 60 ต่อ 100 ก็ทํา 2 3 เป็น 6 2 5 เป็น 10 ข้อ 14 ข้อ 14 ครับใน 2524 24 500 คน ก็เป็นอะไรครับ 80% ของ 5 กี่กี่คนครับครับ 500 ครับเป็น 80/100 500 ตัดตัดก็จะได้ 100 คนอ่าทีนี้ไง 100 มาเกี่ยวข้อครับ 200 คน สัมคัญได้เดือนคนครับผมได้เดือน 20 คน 80% 8% ของ 200 ส่วน 10, 100 คูณ 200, 200. ครับอันนี้ท่านคงเป็นละก็มาเตรียมพร้อมรับสังเกตรับสังเคราะห์ อาจจะ 2 ประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบเธอซัพพอร์ตโดยการเปรียบเทียบครับเช่นปี ม. 2 นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเท่ากันครับผม ปี 2 ปี 27 ใช่มั้ย Zeta ปี 27 กับปี 22 เนาะ 2 คืออะไรครับใช่แล้วครับพิจารณากันนะนี่ก็คือพิจารณาปี 23 ประเมินชายเท่าไหร่ครับผม 550 150 ปี 2550 ปี 26 50 ปี 27 100 ปี 28 150 ปี 29 200 แล้วปี 30 250 แล้วมาทําเรียนหญิงครับตัวนี้ 27 เท่ากัน 517 ถ้าโรงเรียน เขาว่าปีไหนเก็บอ่าปีไหนครับไหนปี 22 อ่าปี 22 ครับมี 100 คนเองรวมกันแล้ว 22 บวกอยู่เนาะถ้าทางปี 2527 ถึง 30 เราคาดปี 31 เป็นไงครับผมต้องคือ มันเพิ่มขึ้นเพิ่มผม 300 300 คนจาก 200 ที่มันดิ่งขึ้นไปต้องเป็น 300 คนแบบนี้ซึ่งติดอยู่พวกนี้มันพอได้ปีอะไรนักเรียนชายมี 22 ตอบ 200 ก็ได้ใช่มั้ยคงทําได้ 200 รับรวมกันได้ 200 ที่นี่ 100 ไม่มีใช่มั้ยครับเราทดต่อต่อกันขั้นเพราะอุปมาอุปไมยเพราะเดา แล้วอุปมาใหม่เป็นการเปรียบเทียบชิงเหตุผลจะเสียบเทียบ 2.1 2.2 2.3 ในระหว่างกินข้าวแล้วผม dof kënnt ech